ตามนี้ก็จะมีบวชพระะไม่ใช่แค่รูปเดียวนะหลายรูปนะที่วัดภูเขาทองพูดถึงเรื่องบวชแล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องศึกนะที่จริงบวชกับศึกนิ่งก ข, ของคู่กันนะ่นะมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปู่ดูลเนรมปัญโยนยังมีชีวิตอยู่นะท่านอยู่วัดสกแกอยุทธยา เขาลือนวะ่นับถือกันว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากวันหนึ่งก็มีพระมาบวชอยู่พักใหญ่นะอาจจะสักเดือนสองเดือนเสร็จแล้วก่อนจะสึกเนี่ยก็มาหาหลวงปู่ขอให้ผมน้ำมนต์ให้แล้วขอพรท่านด้วยหลวงปู่ท่านก็พรมน้ํามนต์ให้นะหลังที่พรมน้ํามนต์เนี่ยเขาก็อธิษฐาน อยู่ในใจนะอธิษฐานว่าขอให้ร่ำรวยมหาศาลนะขอลากขอผลภูนทวีขอให้มีกินมีใช้ไม่หมดนะเราจะได้แบ่งไปทำบุญบ้างอาธิษฐานเสร็จหลวงพ่อหลวงปู่ก็มองหน้าเขาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไอ้ที่ท่านคิดนะี่ยมันต่ำนะทำไมไม่คิดให้สูงเอาไว้แล้วเดี๋ยวที่คิดมันก็จะตามมาเองภาพรูปนั้นงงเลยนะ หลวงปู่รู้ได้ไงว่าเขาคิดอะไรหลวงปู่นั้นบอกนะที่ท่านคิดน่ต่ำนะทําไมไม่คิดให้สูงเอาไว้เขาคิดอะไรนะขอให้ร่ารวยมหาศาลขอลาบขอผลปูนทวีนะขอให้มั่งมีให้มีกินมีใช้ไม่หมดนะหลวงปู่ดูนะท่นว่าเนี่ยคิดแบบ น, นี้มันตำ่ทำทําไมไม่คิดให้สูงเอาไว้นะคิดให้สูงเอาไว้ยังไงนะก็เช่น ขอให้มีศีลมีธรรมก็ให้ใจมีสติมีปัญญานะอย่าให้กิเลสเข้ามาครอบงำนะอย่างที่พูดไว้เมื่อวานเลยนะขอหมู่บานอย่าได้ช่องนะเดช บ, บุญทั้งสิป้องนะอย่าเปิดโอกาสแกมมานเถิดอันนี้คิดว่าอย่างนี้เรียกขอสูงนะขอให้มีปัญญาและสติพร้อมทั้งความเพลยดเลินเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย อย่างเนี้ยคิดสูงนะขอสูงหรือสูงยิ่งกว่านั้นนะคือขออ น, นิพานไปเลยนะขอให้พ้นทุกข์พ้นจากวาตาสงสารอันนี้เป็นวิสัยของชาวพุทธนะคื อ, อะจะไม่ได้ขออะไรแบบต่ำๆนะขอสูงนะแล้วหลวงพ่อหลวงคููท่านก็บอกว่าแล้วที่เหลือมันจะตามมาเองนะพอเรามีศีลมีธรรมนะ มีคุณงามความดีมีสติมีปัญญานะแล้วไอ้โชคลาภนะมันมาเองหรือถึงไม่มานะใจก็มีความสุขอันนี้นะท่านพูดถึงคนที่จะศึกไปนะสหรับคนที่จะบวชก็เหมือนกันน ะ, ะหลายคนบวชเนี่ยนะก็บวชเพราะว่าจะได้แก่บนบ้างละหรือว่าจะได้ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บ้างหะสะดอกคล้อบ้าง ห, ะนะหรือว่าอาจจะบวชเพื่ อ, อให้มีบุญมีกุศลมากขึ้นนะอันนี้ก็ยังถือว่าต่ำไปนะนะต้องคิดให้มันสูงกว่านั้นนะก็คือบวชเพื่อลดรักกิเลสนะบวชเพื่อให้มีสติให้มีปัญญาสามารถพาติดผาใจาออกจากความทุกข์ได้หรือว่าบวชเพื่อ คนทุกไปเลยนะเพื่อจะได้มีวิชานะ <c oughs> ไม่ใช่วิชาอาคมนะนะแต่เป็นวิชาออกจากทุกนะยังไม่ต้องออกจากทุกแบบถาววันก็ได้นะออกจากทุกแบบถาวันนะเคลื่อนวันนิพพานเอาออกจากทุกเป็นข่าวคราวไปก็ยังดี <c oughs> ฉะนันเวลามีความโกรธมีความเศร้านะมีความเครียดมีความวิตกกังวลก็รู้จักออกจากมันได้ ด้วยใจของเราด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยเหล้านะไม่ใช่ด้วยบุหรี่ไม่ใช่ด้วยยานะหรือว่าความบันเทิงเริงรมเดี๋ยวนี้นะเวลาคนมีความเครียดความกังวลก็ไออาก็จะจะไปเที่ยวไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่หรือว่าถ้าเป็นวัยรุ่นก็ไปเที่ยวห้างอันนี้มันไม่ใช่เป็นการออกจากทุกข์นะมันเป็นแค่การหนีทุกข์หรือว่ากลบเกลื่อนทุกข์ แล้วทุกมันก็ตามมาจนได้แต่ถ้าเร า, เามีวิชานะออกจากทุกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้ทุกจริงๆมันอยู่ที่ใจนะมันก็ต้องแก้ที่ใจบางคนหนีทุกด้วยการออกจากบ้านโดยการทิ้งงานเพราะคิดว่าทุกเนี่ยมันอยู่ที่บ้านาคิดทุกมันอยู่ที่ทำงานจริงๆไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่ใจ ถ้ามันทุกข์ใจนะมันก็ต้องแก้ที่ใจแก้ที่ใจก็แก้ด้วยการที่นะมีสติมีปัญญาเพราะว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่มัน ก, ก็จะการไปแบกไปยึดเอาไว้คนเราไม่ได้ยึดไม่ได้ติดนะเฉพาะสิ่งที่ให้ความรักให้ความสุขกับเราเช่นรถเช่นบ้านหรือเงินทองหรือเสื้อผ้าเครื่องประดับเนะ ไอ้สิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราเราก็ยึดนะแล้วเราก็หวงแหนมันมากเลยอันนั้นได้แก่อะไรได้แก่ความโกรธความเศร้าความเครียดเวลาโกรธใครเวลาเศร้านะเรื่องอะไรก็ตามนี่เราก็อยากจะจมอยู่ในความโกรธนะจมอยู่ในความเศร้าไปนานๆเวลาเกลียดใครนะก็จะนึกถึงแต่คนนั้นถึงคำพูดหรือการกระทาของเขา ตอนึกแล้วเป็นยังไง ร, ร้อนเหมือนกับไฟเผาใจปวดเหมือนกับมีอะไรมากรีดใจแตกกจ่ก็ยังอยากจะนึกยังอยากจะคิดถึงสิ่งนั้นถึงคนนั้นเวลาใครมาชวนว่าแผ่เมตตาให้เขาเถิดให้อาภัยเขาเถิดก็กลับไปว่าเขาเหมือนกับว่าเขากำลังแย่งชิงของรักของหวงไปจากเราไอ้ความปวดความเกียดนี่มันมันน่า หน้ายึดหน้าหน้าหวงแหนนะแต่และคนหวงแหนนะกลัวว่าจะหายโกรธเร็วนะบางทีก็จดชื่อคนที่เราโกรธเอาไว้เมมมาไว้เลยนะไอ้ข้อความที่เขาด่าเราเนี่ยแคปไว้หน้าจอแคปที่หน้าจอไว้เลยแล้วกลับไปดูอยู่นั่นแหละนะบางทีสักไว้ที่ข้อมือนะบางทีอ่าสักไว้ที่หน้าอกก็มีนะกลัวลืมนะลืมอะไรลืมโกรธนะ เพรนั้นไม่อยากจะลืมก็ต้องพยายามจดจํามันเอาไว้อันนี้โง่หรือฉลาดนะอันนี้เรียกว่ายึดใช่ไหมอันนี้เรียกว่าโห่วงแหนใช่หรือเปล่าเวลาเศร้านี่ยนะเวลาเศร้านี่คนชวนไปไหนไม่ไปนะจะขอนั่งเศ้าเจ้าจุใครมาชวนให้ไปเที่ยวเนี่ยบางทีไปว่าคขามาชวนกูทําไมกูจะขอเศ้าอยู่ตรงนี้แหละความเศร้มันหน้าห่วงแหนหรือเปล่าแต่ก็ยังอยากเศร้าอันนี้เรียกว่ายึดติดนะ ทำอย่างนั้นพ่ออะไรพ่อหลงเพราะไม่รู้ตัวพ่าไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่ถ้าเรามีปัญญานะมีสตินะั้นมันสลัดออกไปเลยนะเหมือนกับเหมือนกับทิ้งขยะลงถังกันนะแล้วมันก็จะปลอดโปรง่งก็จะสบายนะอันนี้เราออกจากทุกข์เป็นคราวๆไปซึ่งถ้าทาได้บ่อยเนี่ยความทุกขมันก็จะมาเยือนมาคร่อมงาำได้น้อยลงเราก็จะมีใจที่ปลอดโปรง่งแม้มีน้อยนะก็มีความสุขเพราะว่า ไม่ได้คิดปุุงแต่งไปในทางเปรียบเทียบเห็นเขารวยกว่ า, เ, าเขามีมากกว่าก็ไม่ทุกข์ไม่อิจฉาเขาเพราะเรามีความสุขอยู่ข้างในแล้วมีความสุขจากใจที่มีสติมีปัญญาแล้วมันก็จะมีกำลังใจนะทำงานอย่างมีความสุขแล้วเดี๋ยวความสำเร็จก็จะตามมาแล้วเดี๋ยวโชคลาภก็จะตามมา อ, อันนี้แหละที่หลวงปูด่ดูบอกว่าเนี่ยนคะิดให้สูงเขาไว้นะแล้วที่เหลือมันจะมาเอง แต่จริงๆแล้วมันเคร่งเนี่นไม่อมันต้องทำด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาบวชนะี่เมื่อบวชนี่นะก็ให้คิดสูงเข้าไวนะ้ว่าเราจะมาเรียนรู้วิชาวจับทุกข์นะเราจะได้ไปช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นได้เริ่มต้นจากช่วยเหลือตัวเองนะให้เป็นสุขเป็นปกติซะก่อน